เช้านี้ก็จะนำเรื่องต่างๆมาเล่าให้ญาติโยมฟังที่งานสัมมนาแห่งหนึ่งผู้ที่เข้าบร่วมงานก็ได้รับลูกโป่งคนละใบและถูกขอให้เขียนชื่อไว้ที่ลูกโป่งหลังจากนั้นพิธีกรก็ให้นำลูกโป่งเนี่ยไปไว้ในห้องทั้งหมดแล้วก็ให้ผู้ร่วมสัมมนาเนี่ย ไปเอาลูกโป่ของตัวเองออกมาห้องเก็บลูกโป่งเนี่ยก็เกิดชุลมุนวุ่นวายเพราะผู้คนต่างหาลูกโป่ของตัวเองดึงลูกโป่งคนอื่นมั่งทําให้ผ่านไป5้าทีไม่มีใครได้ลูกโปกเลยแม้แต่แม้แต่คนเดียวพิธีกรจีบกาศให้หยุดและบอกให้ทุกคนเนี่ยหยิบลูกโป่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็เรียกให้คนที่มีชื่อนามารับผ่านไป แค่สามนาทีทุกคนก็ได้ลูกโป่หมดเลยทั้งห้องพิธีกรวัสรุปว่าลูกโป่ก็คือความสุขทุกคนเนี่ยปัจจัาความสุขดิลนหาความสุขกันแต่บางครั้งก็อาจจะไปทําลายความสุขคนอื่นคือไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เอื้อทอนแต่ถ้าเราแบ่งปันความสุขให้กันเนี่ยทุกคนก็ได้ความสุขเหมือนกัน สังคมก็น่าอยู่ขึ้นมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเป็นนิทานของประเทศเดนมาร์กปีชายอยู่คนหนึ่งเป็นคนใจบุญคืนหนึ่งขนาดที่นอนหลับเนี่ยก็มีนางฟ้ามาพาไปเที่ยวนรกกับสวรรค์นางฟ้าพาชายหนุ่มคนเนี้ไปนรกก่อนที่เมืองนรกเนี่ยกับสวรรค์อยู่อยู่ติดกันนั่นแหละไม่ได้อยู่หากันหรอกเมืองนรกจะมีห้อง ที่ใหญ่กว้างใหญ่และยาวมีอาหารหรูเต็มโต๊ะหมดเลยแต่คนที่ตกตะลกเนี่ยจะผอมตัวเหลืองหน้าตาซีเซียวบอกุูไม่รับเลยคือในที่นี้เนี่ยมันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกคนสามารถตักอาหารบนโต๊ะกินได้แต่ที่นรกเนี่ยไม่พีใารกินอาหารได้เลย พช้อนเนี่ยยาวหนึ่งเมตรพอตักใส่ปากก็หกทำให้ชายหนุ่มที่มาชมเนี่ยเกิดความสังเวชใจทุกคนแย่งกันันแย่งกันตักแล้วก็ตักหกกินไม่ได้นางฟ้าก็พาชายหนุ่มเนี่ยมาดูห้องสวรรค์ก็เหมือนห้องในโลกทุกอย่างแหละแต่ชาวสวรรค์เนี่ยหน้าตาอิ่มเอิบมีราศียิ้มแย้มจจบสายมีความสุข เพราะว่าผู้คนที่นี่อ่ะก็ใช้ช้อนยาวหนึ่งเมตรเนี่ยตักอาหารป้อนใส่ปากซึ่งกันและกันทุกคนก็เลยกินได้กินท่วหน้ากันทําให้มีความสุขไม่แย่งกันเหมือนในห้องนรกอันนี้ ค, ความต่างระหว่างนรกกับสวรรค์อย่างเมื่อวานอัลลมาไปบิทบาศ ท, ที่ท่าไผยหวานก็มีหมาอยู่ตัวหนึ่งเดินตามมาตัวนี้มาส่งสายตา แบบคือมาขอข้อเหนียวอ่ะหรืออย่างอื่นก็ได้คือเขาจะรักพระมากเลยเราก็เอสังเกตมานี่เค่เดินตามเราแบบแบบไแบบกลมากอะ่ะเดินอ้อมเป็นเป็นตั ว, ตวยูตามหลักมาทั่วไปเนี่ยเขาเดินได้หน่อยหนึ่งเขาก็าจะมีอนาเขตไงเขาจะเลิกเดินแต่หมานี่สามารถเดินตามไปได้ไกลบางทีก็แอบเอาเข้อเหนียวให้เขาแต่ก็ต้องระวังโยมเหมือนกันเราไม่รู้ว่าโยมเนี่ยศรัทธาจะตกไหมก็คอยแอบ พอเขาได้ข้าวเหนียวเขาก็มีความสุขเขาก็เห็นพระมาเขาดีใจเขาตามอีกเวลาที่อนุบาลวิทยาบทุดงเนี่ยมันก็จะมีหมาอยู่หลายตัวเหมือนกันนะที่ว่าเราเคยให้อาหารเขาเนี่ยให้เข้าเหนียวเขาก็จะมาเห็นพระมาเขาดีใจมากเลยเขาโอ้ได้หาอีกแล้วเขาก็จะมาประจบบางทีกระโดดเกาะสองขาเลยก็มีบางบ้านเนี่ยเขาจะดีใจที่เห็นพระมาเขาจะเห่าต้อนรับไง บอกเจ้าของให้รู้ว่าพระมาบิณฑบาตแล้วคือเ ห, าเหานะอ่าเห่ารับแขกนะไม่ใช่เห่าไล่แขกมาก็มีความสุขเวลาเห็นพระแล้วก็บัานใจในความปลอดภัยว่าไม่โดนพระแก้งหรือตีอะไรเงี้ยแต่อาตมาก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าเร า, เาให้อาหารก็ศรัทธาจะตกหรือไม่ก็ให้แบบแอบๆบแบบไม่ชงฉางเกินไงนกะแต่เมื่อสองปีก่อนที่อาตมาไปจำภาษาที่พูหลงเนี่ย ไปเดินดาบาินจักรพผู้หลงนะที่บุบ้าตัดอินทองถ้าจะไปสาน เ, เนี่ยถ้าให้อาหารให้ข้าวเดนียวอย่างเปิดเผยเราไม่ได้แอบให้ให้อาหารหมาแล้วก็ไก่เพะนั้นไก่จะมาเป็นฝูงเลยบางครั้งเพื่อจะมาขอกินข้าวเหนียวที่พระโยนให้บางทีหมาบางตัวเนี่ยกระโดดค้ำสองขาเลยแล้วก็ข้าวเหนียวป้อใส่ปากเขาก็มี เขาจะรักพระมากเลยเห็นพระมานี่กัติกหางวิ่งเข้ามา ก, กูเลยแต่ที่นั่นเราให้เปิดเผยได้พอ่อตาบามีครั้งหนึ่งเนี่ยบันพะอันมาก็พูดอานามาพุทธมาเนี่ยอันมาก็บอกพ่อไม่ออกว่าอาหารเนี่ยเราให้เราให้แล้วนะไม่ใช่ของโยม เ, นะเวลาเป็นของพระแล้วเวลาพระให้ทานสัตว์เพื่อแบ่งปันให้ไก่กับมามีความสุขบ้างเนี่ยโยมก็สาธุด้วยนะ โยงคลับได้นะที่โดนเพราะว่าเขาเขาจะเห็นเป็นเรื่องปกติไงถ้าไม่ให้ดีผิดปกติอย่าพวกหมาพวกแมวเขาจะรู้ว่าคนเนี่ยรักเขาไหมเขามีเขาจะมีท่าตรู้อยากระบาเดินลงจากสาระห่อใจเนี่ยจะมีหมาตัวชื่อขี้เท่าเนี่ยจะโดวิ่งมาเกาะกระโดดเกาะมาสองขาเลยเขาเห็นมาเล่นกับเขาไงเขาจะมีความรู้สึกผูกพันแค่เห็นหน้าเขาอยากมาเล่นด้วยเราก็เล่นกับเขาแล้วเขาไปทุกวัน แต่การที่จะแบ่งปันความสุขได้เนี่ยตัวผู้ให้ก็ต้องมีความสุขเหมือนกันนะถ้าเกิดเราไม่มีความสุขเนี่ยความทุกขไม่สามารถแบ่งได้ถ้าเราทุกข์เราก็พูดเรื่องไม่ดีพูดคนที่ทุกข์เนี่ยเข้าใกล้ใครคนก็เครียดมันแบ่งปันกันไม่ได้ผิดกับความสุขความสุขแบ่งได้เวลาแผลไม่ตาเนี่ยคนที่ทุกข์แผลเม่ตาก็ไม่ได้เพราะตัวเองทุกข์อยู่ถ้ามีความสุขก็แผลไม่ตาเออให้คนอื่นมีความสุขได้ มีเรื่องสวดมนต์อย่างถ้าจามามีโอกาสได้พุทธมะสซันๆก่อนอาหารเช้าที่สาราหน้าเนี่ยจะชอบสวดอยู่บทหนึ่งคืออายุวัตโกเวลาให้พรตามปกติแล้วที่นี่แคสวดมนต์แปลนะอนายุวัตโกเนี่ยอากมาเป็นคนเริ่มเพราะว่าพอให้สลังเอออาจารย์หลายคนก็นำมาสวดเหมือนกัน เพราะว่าผ้าใหม่เนี่ยสามารถนำใบสวดมนต์ตามตามบ้านได้หรือไปใช้ข้างนอกได้แต่ถ้าแปรเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันได้เฉพาะแค่ในวัดเท่านั้นเพราะว่าอยากอายุวัตโกเนี่ยเมื่อก่อนเราไปอยู่สวนโมกสวนโบกตอนให้พรตอ น, น, นเช้าเขาจะสวดอายุวัตโกทุกวันเลยสัพพีสามรอบอยู่ที่นั่นแต่ไปสังขายโยเขาจะแปรนะเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเรากำลังพิจารณาอาหารเพื่อไม่ให้เรางมงานไงให้รู้ความหมาย เราหมายถึงอะไรบทอายุวัตโกเนี่ย ม, มาชอบสวดเพราะเห็นว่าสวดแล้วเนีเป็นมงคลทําให้โยมมีความสุขแล้วก็พระได้หัดด้วยเพราะถ้าเราไม่ฝึกเลยเนี่ยเราก็สวดไม่เป็นตื่นเนี่ยมาเชื่อราพระใหม่ทุกคนก็ไปหัดอิบทนี้หมดแหละในวัเดเป็นเกือบทุกคนมีมีมีไม่เป็นไม่ไม่กี่คนหรอเพราะว่าต้องใช้บ่อยพระเดี๋ยวเรามาไม่สวดอาจารย์วัดก็นําสวดอาจารย์จอมก็สวดมันไม่เป็นไม่ได้เป็นเป็นบทบังคับ คือเป็นแรงจูงใจให้ไปฝึกไนงะบทอยุวัตโกเนี่ยมันมีก็เชื่อมโยงกับนิทาเรื่องหนึ่งนิทาเรื่องนี้อัตราก็ขำอยู่เหมือนกันนามาเล่าให้ฟังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าผู้ใหญ่โกวันหนึ่งผู้ใหญ่โกเนี่ยจัดงานทําบูญบ้านใหม่ก็เชิญแขกเหลือมาบ้ากบายเลย น, นั้นก็มีอาแปะอาแปะนี่ก็เป็นเพื่อนกับผู้ใหญ่โกนะก็มาร่วมงานด้วย หลังจากพาสวดมนต์เสร็จแล้วก็ให้พรนี้ให้พรตั้งแต่ยะถาวิวะหานะแล้วก็มาสัพพิโยแล้วก็มาถึงอายุวัตโกเนี่ยอปแปะนี่หูใจเต้นละรัวเลยหูเดี๋ยวนี้พระให้พรนขนาดนี้เจอเหรอถึงกับเอ่ยชื่อของเจ้าภาพ อายุวัฒโกธนวัฒโกสลีวัฒโกเนี่ยอาแปะปลื้มใจมากเลยโอ้โหคงได้บุญมากมายเลยหลังจากงานจบแล้วอาแปะก็ไปบอกผุ้ใหญ่โกว่าหรือช่วยจัดพระชุดนี้ไปสวดให้อัวบ้างนะชุดอื่นแม่เอานะเอาชุดนี้กุ้ใหญ่โกเขาจัดให้ได้แล้ววันที่รอคอยก็มาถึงอแปะเป็นเจ้าภาพ จัดงานมีแขกเหลือมาร่วมงานมากมายแกก็ดีอารมณ์ดีฮ่อห่ อ, หอตลอดงานยิบลื่นหลังจากพระฉันพันหารเสร็จแล้วก็ถึงตอนให้พรพระก็สวดยาถาส ภ, ภีแล้วก็มาอายุวัธโกธนวัฒโกสิริวัธโกยส า, าวัธโก แปะได้ผิดหวังอย่างรุนแรงเลยเพราะว่าคิดว่าพระเนี่ยคงจำชื่อกันผิดจึงตะโกนบอกพระไปว่านี่นี่พระว่าชื่อแปะนะไม่ชื่อโกพระที่สวดจึงรู้ว่าอแปะต้องการอะไรจึงสะ ก, กิดพระพระหัวหน้า พักเลยเลยสวดใหม่อายวัทะแปะธนวัทะแปะศรีวัทะแปะยาสาวัฒแปะอาแปะชอบใจดีใจใหญ่มีความสุขวันนั้นแฮปปี้สร้างความหัวเราะให้กับแขกที่มาร่วมงานคือหัวเราะในฟาร์มไร้เดียงสาของอัแปะที่มีความรู้เรื่องพุ้าสนากับที่ตองน้อยมากไคือไปเข้าใจบทสวดบน เป็นการเอ่ยชื่อเงี้ยคือเข้าใจผิดไงรู้ว่าอะไรปูบัวปลาแต่ถ้าเกิดวันนั้นพาที่นำสวดไม่ส ว, วดอยุรตะแเปะเนี่ยแกก็ต้องเสียใจศรัทธาตกเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันที่บ้านหลังหนึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของคุณนายคุณนโตคุณนโตเนี่ยเป็นเมียตำรวจใหญ่แกเป็นคนใจบูรุนทาน ชอบทำบุญแต่แกก็เป็นคนที่เอาใจใจตัวเองเป็นคนที่โมโหขี้หุนหงิดคุณนายโตจะสนิทกับพระครูที่ใกล้ๆบ้านน่ะแหละพระครูกับลูกวัดเนี่ยก็มาบิทาบาตประจำคือถูกคอกันอะมาร่วมงานวันเกิดก็พูดคุยทักทายปสาสัยกันเสร็จแล้วพาก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็ ฉันพระทาหารเพลงพอฉันเสร็จพระครูก็ให้ผ่อนยทาวรีวหาปูลาปรลปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกปฏิพระครูเอื้อดนานไม่หน่อยคำว่าอิโตเนี่ยคุณนายโตโมโหขึ้นมานทีเลยตะโกน บอกพระครูทำงี้ได้ไงเมื่อครู่ยังเรียกฉันคุณนายอยู่เลยนี่นี่พอฉันฉันอาหารเสร็จมนเรียกฉันอีโตไม่ให้เกียดกันแล้วเนี่ยผักเผือกขันน้มนตกระจงกระจายเลยพระครูพยายามที่บายให้ฟังบอกนี่เป็นการบทสวดมนต์นะแกก็ไม่ฟังและความสัมพันธ์ของคุณนายโตกับพระครูก็สิ้นสุดลงหลังจากวันนั้น คุณนายโตก็ไม่ใส่บาทให้พักครูอีกเลยวันเกิดปีต่อมาคุณนายโตก็ไปนิมนต์เจ้าคุณที่อยู่ห่างไกลกันเจ้าคุณก็มาที่บ้านคุณนายแล้วก็ทักทายปสาสัยกันเป็นไงคุณนายสบายดีไหมโอ้อสบายดีเอา้าแล้วทำไม คุณนายไม่นิมนต์พระครูที่อยู่ใกล้ๆบ้านมาสวดมนต์ละคุณนายก็เล่าให้ฟังแหละว่าเพราะอะไรทาไมถึงไม่นิมนต์เจ้าคุณก็รู้่ต้องทำไงหลังจากฉันพัฒหาเสร็จแล้วก็ถึงเวลาให้พรยาธาวลรีวหาปุลาปริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะ คุณนายโตทีนางเปตานางอุปการปติคุณนายโตที่ตบมือชอบใจหัวเราะนี่มันต้องอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของคนเข้าใจอะไรที่ผิดผิดนะอันมานํารล่าฟังสนุกสนุกไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าอันมาตั้งใจว่าวันเที่หนึ่มาพูดจะสร้างความสะลับใจให้กับทุกคนเราจะไม่พูดเรื่องเครียดแบ่งคนอื่พูดกับเรื่องเครียดเราไปพูดเรื่องให้สําราญใจ ให้ยมมีความสุขเังแล้วกันวันเบาเพราะวันสุกเนี่ยเราก็ควรจะมีความสุขคือนำนิทานต่างๆมาเล่าคุณนายโตก็จบลงไปเราสังเกตเนี่ยเวลาเราอยู่ใกล้ใครเนี่ยถ้าคนนั้นอยู่ในช่วงอารมณ์ดีเราก็สามารถซึมซับอารมณ์ดีจากเขาได้ด้วยแต่ถ้าเกิดไปอยู่กับคนที่เครียดเขาก็จะแบ่งความเครียดเราด้วย บาที่คุยเรื่องอะไรเราก็จะได้รับรู้ได้ถึงเรื่องนั้นงั้นคนเราครบกับท่านบางทีท่านไม่ตรงกันเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยคนชอบดุบุหรี่ก็จะคุยกับคนดุบุรี่ถูกคอคอเหล้าก็จะคุยกับพวกคอเหล้าถูกคอคอบอลก็จะคุยกันเรื่องบอลถูกคอคอหวยก็คุยเรื่องเรื่องหวยถูกคอแต่ละอย่าง มันจะมีท่าตรงกันคุยกันแล้วต่อกันติดคนที่ชอบธรรมะก็จะคุยกับคนที่ชอบธรรมะด้วยกันได้คนชอบเรื่องรถก็คุยเรื่องรถกันได้นั้นเรื่องท่าจึงสําคัญที่ดึงดูดให้เราครบหาซึ่งกันและกันอยู่เรื่องหนึ่งมีนักโทษสามคนนักโทษสามคนเนี้ยถูกตสารตัดสินให้ติดคุก คนละหปีเท่ากันนักโทษคนแรกก่อนที่จะเข้าห้องขังก็ขอหนังสือกฎหมายเพื่อไว้อ่านเพราะตัวเองชอบกฎหมายนักโทษคนที่สองเป็นคนธรรมะธรมโก็ขอหนังสือธรรมะของรรขอครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็หนังสือสวดมนต์คนที่สา ม, มขี้ยาก็เลยขอบุหรี่ ยี่สิบหลังถึ่งทางเรือนจำก็อนุมัติวันไหนๆก็จะขังแล้วก็ตามใจนักโทษหน่อยห้าปีผ่านไปไวมันโกหกนักโทษคนแรกก็ยิ้มแย้มจ่ใสออกมาบอกว่าต่อไปนี้ผมจะไปทำงานได้กฎหมายคนที่สอง ก็สำรวมมีความสุขแล้วก็บอกผู้คุมว่าผมจะไปบวชนะแล้วก็บอกหนังสือธรรมะกับหนังสือส่วนมน์คืนทางเรียนจำส่วนคนที่สามคนที่สามนี่หน้าตาซูบซีบหมดสภาพเลยคืออิดโรยมากมาถึงก็ผู้คุม ผู้คุมขอไฟแช็กหน่อยจะโลจะตายอยู่แล้วพวกผู้คุมหลายคนตอนแรกก็งงเลยไฟแช็กอะไรสภาพก็หัวเราะพร้อมกันคือคนที่สามเนี่ยติดบุหรี่ไงแล้วไฟแช็กหมดดูไม่ไม่ดูบุหรี่ไม่ได้ั้นทุกสู่ก็อยู่ที่ใจขเขารอแหละคือใจรับอิสระได้ถึงจะถูกขัง อยู่เท่าเลือกอันทุกคนยังชอบไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีอิสระทางใจมีนิทานของอินเดี ย, ยเรื่องหนึ่งมี่ชายตัดฟืนคนหนึ่งชื่อว่ารามรามเป็นคนยากจนทุกเช้าจะต้องตัดฟืนแล้วก็ขนฟื น, นใส่รถบรรทุกซึ่งใช้ลาเนี่ยลากไว้ เพื่อไปขายที่หมู่บ้านก่อนที่ตลาดจะปิดวันแล้ววันเล่าแต่รามก็เจอพระอยู่รูปหนึ่งทุกเช้าเวลาพระลงนีิรภิญญบาตรก็ยกมือไหว้กระทักทายกันเล็กน้อยทุกวันเพราะรามต้องรีบผ่านไปหลายปีหลวงพี่กระทักทายรามว่าโยมจะขนฟืนเนี่ยไปตลอดชีวิตหรือ รามก็ว่าตัวเองยากจนถ้าไม่ขนฟืนก็ไม่รู้จะทำอะไรกินหลวงพี่ก็บอกโยมข้ามเขาไปลูกหนึ่งไปถึงภูเขาลูางนั้นน่ะมันจะมีให้สังเกตนะมันจะมีดินสุเขียวอันนั้นคือแร่เงินให้ไปหาแล้วเอาไปขายซะฐานะโยมจะดีขึ้นรามก็ทำตาม ถึงูเขาลูกนั้นก็เจออย่างที่หลวงพี่บอกก็แหละแล้วก็นำแดงเงินไปขายฐานะก็เริ่มดีขึ้นผ่านไปอีกสองสามปีรามก็เจอหลวงพี่หลวงพี่ก็ทักเหมือนเดิมอ้าวโยมจะจะขนดินไปตลอดชีวิตเหรอรามก็รู้แล้วหลวงพี่ทางนี้สีดีจะเกิดขึ้น นู่นข้ามเขาไปอีกลูกหนึ่งจะเจอหินนะอันนั้นก็คือแร่ทองแต่แต่ก็กระเทาะยากหน่อยให้ไปขายลามก็ทำตามตอนนี้ลามก็ไปเอาแร่ทองมาขายเลิกเลิกขายฟืนเลิกขายเงินละฐานะก็ร่ำรวยขึ้นปเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านเลยปีครอบครัวที่อบอุ่น แต่ลามก็ไปแปวทองทุกวันแหละตามปกติการเวลาผ่านไปก็ไปเจอหลวงพี่องค์เดิมแหละบางครั้งที่หลวงพี่กระทักเหมือนเหมือนเดิมโยมชะขนหินไปหลอดชีวิตเหรอเหมือนเดิมลามก็รู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนูน่นโยมข้ามขาไปอีกรุ่งหนึ่งที่นู่นเนี่ยมันมีเพชรนะมันมีแรกเพชรมันเล็กๆแต่ราคามหาศาล ลามก็ทำตาพี่หลวงที่พูดเลยแหละก็ไปเจอแร่เพชรแล้วก็ไปถลุงเพชรเอาเพชรมาขายตอนนี้ก็เลยเป็นเศรษฐีใหญ่เลยเงินใช้สีิบชาติก็ไปหมดได้แ ล, แล้วก็เจอหลวงพี่อีกคือก็เวลาห่างว่สมควรแลวหละหลวงพี่ก็ทักทักลามเหมือนเดิมโยมจะขนแร่ไปดอดชีวิตเหรอหลามก็รู้ เอ้ลามก็งงเริ่มงงแล้วเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แพงมากกว่าเพชรแล้วสงสัยว่าหลวงพี่จะมาไหมไหนหลวงพี่มีอะไรดีกว่าเพชรครับมีทิโยมโยมข้ามเขาไปอีกุงหนึ่งตรงนั้นเป็นกุฏิอรมามีธรรมชาติที่แสนส ง, งบเราไปปฏิบัติธรรมร่วมกันลามลังเลแล้ว ลามรู้ว่าตอนนี้ตนเองก็เป็นเศรษฐีใหญ่ถ้าเกิดไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพี่เนี่ยจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพี่ก็บอกว่าเมื่อก่อนอาตมาก็เคยเป็นนับโยมนี่แหละเคยขายเงินขายทองขายเพชรแล้วก็รวยมาแล้วแต่รู้ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยข้ามเลยเข้าป่าไปแล้วไปเจอเจอที่สงบวิเวกก็เลยก็เลยปฏิบัติธรรมที่นั่น แล้วได้สัมผัทธฟาร์มสุกที่แท้จริงสุกอื่นยิ่งกว่าฟาร์มสงบไม่มีเป็นฟาร์มสุขิปา น, นี่ลามแม่ด้วยฟาร์มที่ตัวเองก็เป็นคนที่ยึดมั่นในชัพสมบัติไม่ยอมทิ้งก็เลยตอบหลวงพี่ไปว่าหลวงพี่ผมไม่พร้อมเลยผมเนี่ยมีลูกมีเมียแล้วถ้าผม ไ, มไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพี่เนี่ย ผมนี่แหละจะเป็นตัวรบกวนหลวงพี่ให้หลวงพี่ไม่ได้รับความสงบผมไม่พร้อมจริงๆหลวงพี่บอกไม่เป็นรายโยมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปไปฏิบรมร่วมกันนะแล้วหลวงพี่ก็ลาจากไปตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่ในจุดที่พร้อมแล้วพระลาไม่พร้อมอย่างพวกเราเนี่ยพระใหม่ก็ได้บวชได้ปฏิบัติธรรมพวกโยมก็ได้มาอยู่ได้ปฏิบัติธรรมได้มาดูจิตดูใจตัวเอง ถือว่ามีคนมีบุญไว้แต่ก่อนถ้าคนไม่มีบุญมาที่นี่ไม่ได้หรอกมามาฟังธรรมมาอยู่สถานที่วิเวกสปายะหายากเดี๋ยวนี้ป่าเนี่ยเราก็สามารถใช้สถานที่ให้คุ้มแหละมีทางจงกรมถ้าใครชอบปีวิเวกก็ไปภาวนาเจรติสร้างลูกตัว ก็ถือว่าคุ้มเ่ยถ้าเกิดเราไม่มาแล้วเราไม่ปฏิบตัติไม่ฝึกฝนตนเองเราไม่คุ้มแล้วขอฝากไว้ว่าโยมก็ปฏิบัติทำสร้างความรู้ึกตัวก็แล้วกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเนี่ยออกแนวโลกความคิดปรุงแต่งแล้วก็ทําให้ปล่อยวางได้ง่ายถ้าเกิดเราไม่มีสติเนี่ยทุกเรื่องคือเรื่องจริงนะโกรธใครก็โกรธตลอดชีวิตแหละแต่ถ้ามีสติก็โกรธแป๊บเดียวแล้วก็ลืมทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องจริง พูดติดคุกติดอลางทุกเรื่องคือเรื่องจริงเรมาวัดแล้วก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามีประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นใช้ชีวิตให้มีความสุขอนาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง